เมื่อวานไปเวียนเทียนกันกูสอนเจริญนะจึงใใหญ่ไม่ค่อยสเท่าไหร่ดเียดนเียวปยจริงนะนัสัมปชัญญะบัพาพาจึงให้ใขรโครนถึงสถานที่สัปปายะนะ คือการเวียนเทียนหรือการทำพุทธบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้วเป็นสิ่งที่ควรทำนในขณะเดียวกันเราก็ต้องศึกษาสปายะะเนี่ยเพราะถ้าไม่ได้สปายะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างห น, นึ่งนะเนี่าไปเจออารมณ์บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เดินสะดุดแข้งสะดุดขากันก็ขัดเคืองนะเนดี๋ยวน้าตาเทียนมันหยดใส่มือเข้าไปเจะกุศลเจอนะขวันทูบเข้าตายก็แสบตาเองนะคนเดินปาดหน้าปาดหลังระโทสะอกีกปฏิฆะไม่มิตรไม่พิจารณาอีกก็โมหะเพราะฉะนั้นไอ้สปายาเนี่ยสำคัญ แต่ก็ถ้าเทียบไปก็ดีกว่าไปทําอย่างอื่นเ่ยนะมันจะอากุศลแทรกบ้างก็ก็ดีกว่าอากุศลล้วนๆเลยนะเพรบางแห่งไปทนอยู่ได้อากุศลล้วนๆกันนะ่ะนั่นก็ยังทนอยู่เช่นเข้าครัวเนี่ยนะทำกับข้าวเนะี่ยปาโรกุศลข้อไหนบ้างก็มันล้วนนะทั้งน้ำทั้งพริกทั้งกระเทียมอะไรเนี่ยมันน้ําตาไหลจนแต่ก็ทนกันอยู่นั่นแหละเป็นหลายๆสิบปีด้วยนะไม่ใช่สองวันอ่นนะอยู่เป็นสิบสิบปีนั่นนะ ก็อันนั้นไม่มีกุศลแทรกเลยยังทำได้ไหมนี่ก็กุศลแทรกสักหน่อยก็ยังดีแล้วอย่าให้มันบาปบริสุทธนะินนะักไ <c oughs> หนไะห <c oughs> บางคนเนี่ยกลิ่นธูปจะไม่หอมกับบางคนเลยเห็นบางบางคนนี่ไม่เข้าเลยนะจนะูกเลย สาธุถ้าไปเดินบนอากาศได้ก็ที่มันเท่านั้นน่ะจะไปเดินที่ไหนสาธุเอามาก็ใช้วิธีนั่นแหละจุดจุดเนกับการบูชาไของพวกศาสนาพานีตนน่ต่างกันยงไครับเป็นการบูชาไที่เราจุดจุดเทียนแล้วคุณเข้าใจไง ใจว่ามันเป็นไม่ไม่ใช่ของพุทธอืมทูเียนเป็นสนนาอื่นแล้วมันแทรกเข้ามาอืมสมพุทธเจ้าก็ไม่มีการจุดทูจุดเทียนยกมือไหว้กันเคยอืมไม่มีทูปไม่มีเียแล้วคุณเกิดทันอ่ะเกิดไม่ทันแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่จุดทูกจุดเทียนกเห็นในระไตรปิฎกเหม็นมีบอกบอกคนไว้ก่อนก็ยกมือไหว้กันเยแล้วอ่านอ่านอ่านเมื่อกี้เล่นนะจำเล่มไหนได้บ้าง จำไม่ได้ในเส้นเล่นนั่นแหละอย่างกุฏิของพระพุทธเจ้ า, าเขาเรียกว่าคันธกุฏิคันทา่าแปลว่ากลิ่นนะกุฏิมีกลิ่นพระคันทกุฏิก็คือกุฏิที่เขาอบกลิ่นไว้อย่างดีเลยนั่นแหนะครับถ้เอาอะไรมาอบก็เอาทูบเอาอะไรเนี่ยไปอบนะนั้นก็การบูชาทูบจุดทูบก็คือให้กลิ่นเป็นทานเอากลิ่นเนี่ยเป็นพุทธบูชานั่นเอง ก็นึกว่โบราณจะมีเอาอะไรมาทําเป็นของหอมได้บ้างนะที่เป็นสเปรย์มาพ่นๆไม่มีอยู่แล้วนะ ก, ก็ใช้ทูบเนี่ยทีนี้โบราณในเขาไม่มีไม่แสงสว่างแสงสว่างในเขาใช้ประทีปคําว่าประทีปเมื่อก่อนในเขาเขาใช้น้ํามันอนะใช้เนยใสหรือใช้น้ํามันงาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะมีทรายแล้วก็จุดนั่นแหละเรียกว่าประทีป ของเราก็ประยุกต์เอาไปเอาขี้ขเทียนม า, าขี้พึ่งเนหะ็นไหมเอาขี้พึ่งมาปั้นเป็นเทียนนะก็ประยุกต์หาไขมาทำเป็นเทียนซะมันก็ค่อยๆประยุกต์มาจริงๆแล้วโบราณเขาใช้ใช้น้ํามันใช่น้ํามันใช้เนยเวัตถุประสงค์คือเขาต้องการให้แสงสว่างของมาถ้าจะจางเวียนแบบนี้นะของมาอยากจะงเวียนสปอรตไลท์เลยถือสปอร์ตไลท์สว่างๆมานเดินเวียน เอาเราจะให้แสงสว่างเราถ้าชาติหน้าไปเกิด ต, ติด ด, ดับเหมือนเทียนจะไปเอาอะไรไปเอาท่านก็แบอบกว่าถ้าจุดเทียนเวียนนะไม่สมนัตเลยมันมัน ต, ติดดั บ, ดบ ต, ติดดดับเนี่ยนะาไฟฉายอะไรมาเปิดยังะสว่างกว่าทั้งเยอะเป็นบูชาเนี่ยนะคือจุดประสงค์เนี่ยให้แสงสว่างเป็นทานเนี่ยนะหรือเอาแสงสว่างเป็นเป็นเครื่องทมพุทธบูชาเนี่ยนะการบูชาไปของศาสนาพานี่เอ เขาบูชาทำไมเขาบอบูชาไฟแล้วได้ขึ้นสวรรค์อันนี้เราไม่ได้บูชาไฟ น, นี่เอาไฟมาบูชาพระพุทธเจ้าคนละอย่างกันอันีนน้ก็เป็นเครื่องอบูชานะเพราะว่าสามารถที่ของที่จะเอามาบูชาตามพระสูตรก็คือเอาข้าวก็ได้น้ำก็ได้ผ้าก็ได้ดอกไม้ของหอมประทีปเนี่ยนะประทีปนะที่ว่านะไปว่า ของหอมก็พวกทูกไงประทีปของหอมดอกไม้พวกผ้าพวกรองเท้าพวกที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่อาศัยอะ<ม>พวกนี้ก็สามารถเอามาทำพุทธ บ, บูชาได้หมดเลยยังนในนี้เราไม่ได้บูชาไฟแต่เอาไฟเนี่ยเอาแสงสว่างจากไฟเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าก็ละอย่างกัน <c oughs> พระนรุธานั้นท่านเป็นเป็นผู้ที่จุดไฟเนี่ยนะ โดยเฉพาะทำบุญประเภทประทีปเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของท่านเป็นพิเศษนั่นแหละพระนรุธาที่มีตาทิพนั่นท่านจะเน้นกุศลอันนี้เป็นพิเศษคือการบูชาไฟเนี่ยนะด้วยแสงสว่างเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุแห่งที่ประจักษสุนั่นเองนั่นแหละหลังจากศาสนาพระพุทธเจ้าประทุมมุตระเนี่ยท่านตั้งประทีปไว้เป็นพันดวงเลยบูชเพื่อบูชาพระเจดีย์เนี่ยนะ ของเราก็ถ้ามีโอกาสให้แสงสว่างเป็นทางก็ควรให้หนะดีกว่าไม่ให้ถ้าไม่ให้แล้วตาบอดและลำบากนันนะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้แสงสว่าง <c oughs> มีตาแล้วมันก็บริหารยากอย่างนี้แหละมันก็ต้องหาแสงมาให้มันใช่ไหมถ้าไม่มีแสงการเห็นก็เกิดไม่ได้แล้วก็ถ้ายังยินดีที่จะมีตาอยู่ก็ควรที่ยนันจะยินดีที่จะ จเจริญกุศลด้วยเอาแสงสว่างเป็นเครื่องทําบุญด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะถ้ายังยินดีที่จะมีตานะี่แต่ถ้าคิดว่าโอ้ทิ้งตาอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาตาอันใหม่แล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลนกครับว่าจะบูชาหรือไม่บูชานะไปปฏบบิบัติบูชาเลยนะั่นแหละตัดกิเลสให้มันหมดแล้วหมดเล่าไปไม่ต้องเหลือเยื่อใยในอุปาทานขันห้าถ้าอย่างเนี้พวกสเสบียงทั้งหลายก็ก็ไม่ต้อง เห็นไหมผ้าาหันท่านจ ะ, สะแสวงบุญเหล่านี้ไหมสแสวงบุญในการเอาข้าวไปเที่ยวใส่บาตรอนะเอาน้ําไปเที่ยวทําบุญทั่วทวไปนะแต่แบบแบบคนทั่ว ท, วทวไปทนะําน่ะท่านท่านทํำไหมท่านไม่ทําเพราะท่านถ้าท่านทําก็ทําด้วยจิตอนุเคราะห์ผู้รับเท่านั้นเองเนี่ยนะไม่ได้ทำํำเรียกว่าทำเอาบุญเนี่ยไม่ใช่แต่สําหรับบุคคลทั่วทวไปเนี่ยนะถ้าบอกว่าฉันจะทําไม่เอาบุญนะ่ะอนะสักแต่ว่าทําเนี่ยดีไหม บุญใดที่ทําศักแต่ว่าทํเขาถือว่าทําด้วยความไม่เคารพนั่นะนะวิบากก็จะให้ไม่ดีนั่นะนะในเวลามาสูตรนะพระพูทมีพระภาคตรัสกับอนนาทาบินทิกคาครหบดีเนี่ยนะนะว่าผู้ที่ให้ทานด้วยความไม่เคารพไม่ให้ทานด้วยมือของตนเองไม่ให้ทานเราให้ทานโดยไม่ปรารบกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั น, นะ ก็ให้ให้ศักแต่ว่าให้อ่ะให้สักแต่ว่าให้ไปเฉยๆบุคคลนั้น เ, เกิดหน้าที่ใดๆก็ไม่น้อมบริโภคของดีอันนี้อย่างหนึง่งคือผลบุญมันมีให้ละ่ะแต่ว่าไม่น้อมจะบริโภคของดีแบบอาจจะครูคนหนึ่งมาเล่าอ่ะผมเนี่ยจะกินแต่ผลไม้เน่าเน่ามาอ่ะนะเหมือนก็ว่าซื้อผลไม้ดีๆมาเก็บให้มันเน่วกวาก่อนแล้วค่อยกินแต่ของเน่าอ่ะนะคือจะเป็นคนกลุ่มนี้ยลักษณะนี้ ไอ้ตอนดีๆไม่ค่อยกินอย่างกล้วยเนี่ยตอนที่มันดูดีหน่อยก็ไม่กินเก็บให้มันเน่าซะหน่อยแล้วก็ค่อยกินนะอาหารก็ต้องแบบให้มันจูชืดซะเขาไม่กินกันแล้วนะค่อยมากินอาหารชนิดนั้นนะอ่ะลักษณะนี้เขาเรียกว่าไม่น้อมไปเพื่อจะใช้ของประณีดนะซื้อเสื้อผ้ามาก็เก็บให้มันเก่าจนเขาทิ้งแล้วนะค่อยมาใช้อย่างเงี้ยในอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสมมุติว่ามีสา ม, มีพันยามีลูกมีหลานเป็นต้นไม่เชื่อฟัง มีค้าทาสบริวารเป็นต้นนะนะมีลูกน้องเป็นต้นบอกซ้ายไปขวานะนะบอกอย่ามันรีบทำอย่างเงี้ยนะลูกเ อ, อ้ยอย่าไปทำมันนั่นนะไม่ดีอ่ะนะนั้นเน่ยเอาใหญ่เลยอ่ะลักษณะนั้นอ่ะนะเรียกว่าอันนี้เป็นผลของการทําบุญเอาไว้ในปางก่อนไม่ดีทําบุญด้วยความไม่เคารพยำเกรงเพราะฉะนั้นพวกบริวารทั้งหลายก็ไม่เคารพไม่เชื่อฟังนั่นนะ เต่ว่าพอที่ขนาดพอคุยกันรู้เรื่องมันยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะอันนี้ก็เป็นผลของบุญที่ทำไม่ดีในปางก่อน <c oughs> แล้วก็ผู้ที่ไม่ทำด้วยความเคารพไม่ทำด้วยความยำเกรงเป็นต้นอันนี้ก็ไม่เป็นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงด้วยนในขณะเดียวกันนะว่าเกิดในตระกูลต่ำแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะ ถ้าอย่างประเทศไทยในตอนนี้ก็อาจจะโดยรวมๆแล้วไม่ค่อยยึดถือเท่าไหร่แต่สังคมบางสังคมก็ว่ยังยึดถืออยู่ในเรื่องชาติตระกูลถ้าไปเกิด อ, อินเดียด้วยยิ่งหนักมากนะเนี่ยเรื่องสกุลเนี่ยสำคัญมากนะนีถ้าไม่มีเชื้อสายไม่มีสกุลมาเนี่ยโหเดือดร้อนแน่ชีวิตเนี่ยนะความเจริญยากมากแค่แค่ว่าแค่ดํารงชีวิตอยู่ในโลกยังยากเลยมั้งนะนะท่านบุญทั้งหลายเนี่ยพรอง ถามว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยสันเสริญไหมการทําบุญสันเสริญ ม, มากเลยเนี่ยนะเป็นสูตรกลุ่มเรียกว่าวัฒนาภากยะเนี่ยนะแล้วก็พระผู้มีพระภาคอย่างโบราณเนี่ยถ้าแสดงธรรมจะแสดงด้วยอนุปุพิกถาจะแสดงด้วยทานแสดงด้วยศีลนั่นเองเนี่ยนะังั้นการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเนี่ยนะจำเป็นมากจริงๆถ้าหากว่า <C clears throat> ผู้ใด <alloy> ที่ไม่เห็นความจำเป็นอันนี้นะไม่เห็นความจำเป็นในการให้ทานไม่เห็นความจำเป็นในการรักษาศีลก็ถือว่าแปลว่าความสุขก็ไม่มีความจำเป็นเหมือนกันกินอิ่มนอนหลับเป็นต้นก็ไม่มีความจำเป็นด้วยเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัดต้นเหตุออกไปแล้วเนี่ยนะดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในการให้ทานไม่ควรประมาทในการรักษาศีล การให้ทานการรักษาศีลเนี่ยนะมันเป็นพื้นฐานเป็นอุปนิสัยเป็นคุณธรรมรองรับคุณธรรมชั้นสูงด้วยนะอันถ้าผู้ที่ไม่ได้ให้ทานมามา ก, ก น, นะเกิดมาชีวิตมันจะเดือดร้อนตลอดเนะเดือดร้อนไม่รวัวาไม่มีเวลาเลยนะออกมาที่ที่เกิดมาเนี่ยรู้จักคนที่ที่พูดคำว่ามีนี่เมื่อไหร่จะได้ยินสักครั้งหนึ่งก็ไม่รู้พอพูดถึงอะไรเนี่ยไอ้คาว่าไม่มีเนี่ยปกติจะได้ยินคาประเภทนี้เลยนะ ทุกเรื่องอนะนะถ้าหน้าหนาวบอกไอ้ผ้าจะมาห่มให้มันเย็นๆอันนี้ไม่มีร้อนหาพัดลมมาเป่าอันนี้ก็ไม่มีเห็นไหมฝนตกหาอะไรมาทําหลังคาหน่อยให้มันฝนไม่เปียกอันนี้ก็ไม่มีนะสรุปก็คือโดยรวมๆแล้วนะรู้จักคําว่าไอ้ไม่มีเนี่ยเป็นเป็นธรรมดาดันั้นชีวิตของคนกลุ่มนี้ที่ไม่มีนับว่าเดือดร้อนมากนะนะท่า น, นก็ผู้ที่ประมาทในการให้ทานก็ถือว่าประมาท เนี่ยคำว่าไม่มีเนี่ยนะมันจะได้ยินแต่คํานี้แหละตั้งแต่เกิดมาเลยสำนวนว่าแบสตังแบะมือขอสตังแม่ซื้อขนมกินแม่ก็บอกไม่มีก่อนนะนะีไม่เหมือนพระเวสสันดรใช่ไหมแบสต์แม่มีตังไหมมีลูกจะออกมาจะให้ทอนนะเห็นไหมถ้าแบบพระเวสสันดรเขาจ ง, งชั่วหน่อยแต่ถ้าเป็นคน ท, ทั่วไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าศีลไม่จําเป็นที่เราจะต้องรักษาก็บอกว่าการเกิดในสุคติก็ไม่จําเป็นสําหรับเราเหมือนกัน ถ้าใครบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสมาทานศีล ร, รักษาศีลนะเท่ากับเขาบอกว่าฉันไม่มีความจําเป็นต้องเกิดในสุคติอีกไม่มีความจําเป็นที่ต้องเกิดเป็นมนุษย์หรือต้องการเกิดเป็นเทวดาเนะี่ยทำถ้าไม่รักษาศีลเพราะว่าศีลที่เขารักษาก็คือรักษาสุขติเอาไว้นั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีทานไม่มีศีลเป็นพื้นฐานคุณธรรมรองรับมนะนสมถะวิปัสสนามเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ เพราะสมถะเนี่ยนะอโลภะเจริญอาโลภะเจริญอาโทสะนั่นแหละคือเจริญสม Sara, ถะอารโทสะก็คือเจริญเมตตาอโลภะก็คือเจริญกลุ่มอสุภะเป็นต้นนั่นเองก็คือเจริญอนาโลภท่านผู้ที่มากไปด้วยอาโลภะอาโทสะเนี่ยพื้นฐานปกติก็ไม่มีความมัจฉัยยะอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มากไปด้วยโลภะเป็นต้นเนี่ยนะก็ยากที่จะเจริญสมถะ นี่ถ้าอะโลอโลพาอ่อนกําลังอะโทสะอ่อนกําลังเนี่ยนะอะโมหะมันก็ยากที่จะเกิดเหมือนกันคนมักโกรธเนี่ยไม่ฉลาดเนี่ยนะคนมักโกรธไม่ฉลาดคนมักโลภก็ไม่ฉลาดเพราะว่าเหตุที่จะทําให้เกิดความฉลาดเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นนิวรณ์ต้องไม่กลุ้มร่มผู้ที่นิวรณ์กลุ้มร่มมากสติปัญญาไม่ค่อยดีเนี่ยนะคนกําหนัดก็ก็โมแต่กําหนัดอยู่นะสติปัญญาก็ไม่ค่อยเกิด คนที่มักขัดเคืองมักโกรธก็มัวแต่โกรธอยู่ปัญญาก็ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกิดเพราะะฉนั้นผู้ที่มีปัญญาก็คือผู้ที่ไม่มากไปด้วยความกำหนัดไม่มากไปด้วยความขัดเคือ ง, องนะบุคคลเหล่านี้ก็จ ะ, ะมีสติมีปัญญาดนั้นไอ้คุณธรรมพื้นฐานการขัดเกลวเบื้อง ต, ต, ต้นเลยนะการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมีความสําคัญมากานะนะถ้าหากว่าผู้ใดปฏิเสธทานปฏิเสธศีลก็ก็น่าเห็นใจ พระพุทธเจ้ายังไม่ปฏิเสธเลยเจ้านีน่พราหมณ์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทานนี่ควรให้ที่ไหนปองก็บอกว่าชอบที่ไหนให้ที่นั่นพราหมณ์ก็ถามใหม่ให้ที่ไหนแล้วมีผลมากมียนิสงมากปองก็บอกว่าให้กับผู้มีศีลเจ่า น, นีแม้ในพระวิไนเนี่ยถ้าบุคคลไปห้ามการให้ทานเนี่ยเป็นอบัตนะในพระวินไยสมมติถ้า ตามพินิเนี่ยเอาของจะมาฝากผู้การทงาองชัยนะขอมาก็บอกอย่าให้เลยไม่ต้องให้หรอกนะเอาไปให้คนอื่นแทนหรือไม่ต้องให้เนี่ยนะเอาเอาไปให้สมมุติเอาไปให้คุณปีดาก็แล้วกันไม่ต้องให้หรอกผู้การอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาบัตทุกกฎนะแต่ถ้าเขาน้อมจะถวายบุคคลอื่นเนี่ยนะสมมุติว่าเขาน้อมจะถวายสงฆ์อย่างเงี้ย บัดเขาจะเอามาถวายเป็นของสาธารณะเป็นของสงในวัดบอกจะถวายสงเลยสงมีเยอะแยะแต่อาตมาไม่มีเนี่ยนะน้อมของสงมาเป็นของตนก็เป็นอาบัติเนี่ยการห้ามให้หรือปฏิเสธการให้เนี่ยมีโทษนั้นพระวินัยยังห้ามไม้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าจะให้ถ้าเราไปห้ามนะจะได้รับโทษตะการแรกก่อนใช่ไหม คนให้เขาก็ไม่ได้ทําบุญอย่างที่สองคนรับเขาก็อดลาบอย่างที่สามอ่ะนะไอ้คนคนที่ไปห้ามนั่นแหละจะประสบบาปเป็นอันมากก่อนดังนั้นการการไม่ให้เนี่ยนับว่ามีโทษมากถ้าสมมติ ว, ว่าเราให้เพราคืออย่างข้างบ้านเนี่ยมันรู้ากินเหล้าทุกวันเลยแล้วฉันก็บอกแม่เพราะว่าก็าคุณอย่าไปให้เมื่อวานให้ใหใหตะตังมันก็ไปกินเหล้าอย่างเนี้ย ก็คือเพื่อคนที่เขามีความเข้าใจเขาก็แนะนําเป็นอย่างอื่นทําไมไม่ให้เป็นอาหารแทนเนะี่ยก็คือไม่ให้เป็นสตังอะนะก็คือฉลาดที่จะให้อะนะก็คือรู้จักวิธีนะอ่ะนะแล้ว ก, ก็พูดว่าคนนี้เขานิยมกินเหล้านะเขามีสตังเขาต้องกินเหล้าทุกทีอะนะเราก็พูดแค่นี้ไปแต่เขาจะให้ก็เรื่องห้องเขาานะเ้าไปเนีนะใช่แล้วกอ้กวิธีอะนะ้วก็พด้ นี่นะนก็มีโทษไปต้องให้เพราะว่าเดี๋ยว ม, มันออไปขโมยทั้ายเอะใช่ครับ น, นะเาะว่าตรงๆแล้วการห้า ม, ก า, ามการให้เนี่ยนะมีโทษ น, นะแต่ว่าไอ้การให้ที่ไม่เป็นบุญก็มีเช่นให้เหล้าไม่เป็นบุญนะให้ยาพิษเป็นต้นก็ไม่เป็นบุญให้อาวุธเนี่ยนะให้เครื่องมือการทําปาณาติบาตเป็นต้นอันนี้ก็ไม่เป็นบุญอยู่แล้วอันนี้ห้ามไม่ให้อันนี้ไม่มีโทษ เช่นเขามาขอแหขออวนขออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะอย่าไปให้เลยนะางนี้แต่ถ้าอย่างนี้ก็ห้ามไปเถอดดีแล้วอันนี้ก็ชอบปรึกษาอาจารย์เกุดาคือเขาบอกว่าอย่าไปให้มันก็เอาเหตุผลมาจนมันต้องให้มางั้นเนี่นะมันอ้างจนเนี่ยนะมันโรคเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กตั้งแต่ผมมาอยากจะรู้จริงๆว่าปีหนึ่งมันตายเพราะพยาธิกี่คนเลยนะ เนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยตายเพราะพยาธิกี่คนดูเดือดร้อนกันแล้วเกินตายตายมากใช่ไหมมาเยอะเนี่ยได้ยินเยอะไหมจางไก่สุดาตายเพราะพยาธิตีหนึ่งประเทศไทยเนี่ยนั่นแหละคุณบุญชูเนี่ยนะคนไข้ที่มาโรงพยาบาลเนี่ยโดยมากกพระโรคพยาธินะไม่ไอที่ตายตายนะ เนี่นก็คิดเอากันแล้วกันนะของมาก็ก็ถ้าเป็นนักเลี้ยงโคนะโคใครก็เข้าคอกคนนั้นไปใครส่งเสริมอะไรก็รับอันนั้นไปนะไม่ว่าเพราะว่าถ้าเราไปบอกมันไม่ดีเขาก็เอาเหตุผลมาจนได้นั่นะเขาบอกสรุปว่าเขาต้องให้บา ง, งั้นเถ อ, อะก็ก็คุยกับนะอย่างวันก่อนเนี่ยคุยกับหมอสรุปว่านี่ถ้าเขาไม่ทําเด็กให้ตายนะแม่มจะตายบา ง, งั้นสรุปว่าเขาต้องตัดสินใจให้เด็กตาย แล้วขอยาดนี่ก็ดีไปอยากรีมเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอันก็ก็ก็ก็ทํากันไปนะหาเหตุผลที่จะทําบาปก็ทํากันไปไม่ไม่ว่ากันแต่ถ้าของมามาจะเลือกทําเนี่ยนะเพราะว่าในโลกเนี้อะสิ่งที่มันเป็นบุญมีตั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะสิ่งที่ทําแล้วไม่เป็นบาปก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะจะไม่ใช่ว่าหาเหตุผลจนต้องทําบาปเนี่ยนะไม่ไม่ไม่คิดแล้วใครจะทาก็ทําไป แต่ว่าไม่ส่งเสริมนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าห้ามเข้าไม่ได้ไม่มีบุญพอไปเดือดร้อนกับเขามากเดี๋ยวจะป่วยอีก <c oughs> ก็คิดเอากันแล้วกัน่าห้ามด้วยจิตอะไร น, น, นะนะย้อนมาในสังยุตติกายสลายยตนาวั์ของเราต่อนะชาติธรรมวัคที่สี่ ข้อสาหกน้าห้กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพิสูุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดาดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดเป็นธรรมดานี่คืออะไรเล่าคือจกักรุรูปจักรส่วิ ญ, ญาณจักรสูตสัมผัส นี่มีความเกิดเป็นธรรมดาแม้ส <tinc 999. S 1> ุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากกุศสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดเป็นธรรมดาห็นไหมเสียงโสตะวิญญาณภาษเวทนานี่ก็มีความเกิดเป็นธรรมดาโอ้จมูกเกล่นคานาวิญญาณคานาสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ลิ้นรสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเนี่ยนะแม้สุขเวทนา ท, future, ทุกขเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดเป็นธรมนรมดากายโพธะมันกายวิญญาณเนี่ยน SS ะกายสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือว่าใจธรรมรมมโนวิญญาณมโนสัมผัสมีความเกิดเป็นธรรมดาแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดเป็นธรรมดาดูกับพิสูนทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งใน จ, ก united, จก air, ั ека, ญญ ان, рий, จกรสุย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปือย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักรสุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักขูสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจักรขู่สัมผัสเป็นปัจจัยนไอันนัเท่าที่ฟังดูแสดงว่าสูตรนี้ภิกษุผู้ฟังสูตรนี้แสดงว่ารังเกียจการเกิดมากเห็นไหม เพราะฉะนั้นเมื่อท่านรังเกียจการเกิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกไอ้สิ่งที่เกิดคืออะไรเดี๋ยนะก็บอกตรงๆไปที่เกิดนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมด า, านะเพราะอะไรเพราะเกิดตัวที่เกิดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะผู้ที่ฟังรังเกียจในการเกิดหรือเห็นภัยของคําว่าเกิดเนี่ยนะพวกนี้จะสังเวชใจเป็นอย่างมาก น, นะเรียกว่าสะลดใจเป็นอย่างมากเลยนะ มันก่อให้เกิดการเบื่อหน่ายในนะจากโขโรูปจากโขวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายในหูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในจมูกกลิ่นคานาวิญญาณภาษาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษาและเวทนาเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายในกายโพธภากายะวิญญาณภาษาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในมโนธรรมามโนวิญญาณมโนสัมผัสเนี่ยนะแม้กระทั่งเวทนา พันผู้ที่เบื่อหน่ายนั่นแหละก็คือวิปัสนาพันประกาศทุกคือชาติเนี่ยนะถ้าชาติชาตินี่ก็คือประกาศทุกคลักษณะนั่นเองเพราะสิ่งที่มีความเกิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นเป็นทุกเนี่ยนะพันอริยาสาวกที่ได้ฟังอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเพราะหลุดพ้นเนี่ยนะก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี นะก็สรุปทาบเจริญตามนี้จริงๆอะนะพวกนี้เห็นภัยในการเกิดมากนะที่เกิดอะไรมันเกิดเนี่ยนะามาเรื่องนี้มาคิดมากคิดอย่างเดียวนะเจริญอย่างนี้มากๆก็พ้นทุกข์ได้อันนี้ก็สูตรนี้ก็จบลงที่อรหัตตมรรคอีกเหมือนกันนะ <c oughs> กอันนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะผมก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความแก่เป็นธรรมดานะอันนี้สําหรับพิสูจผู้ที่รังเกียจต่อความแก่นะ เพราะว่าการเกิดไม่ดีเลยนะเพราเกิดมาแล้วต้องแก่นะนะผลถ้าใช้คําว่าแก่เนี่ยอะไรแก่ตาเนี่ยแก่หูนะว่ายตนาภายในอย่างเดียวก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานะนะตาเนี่ถ้าแก่ก็ไม่ดีเลยนะเห็นก็ไม่ค่อยชัดหูนี่แก่ก็ไม่ดีเลยนะได้ยินก็ไม่ไม่ดีนะเนีจมูกนี่แก่ไปแล้วก็เสียแย่เหมือนกันลิ้นเนี่ยอายุมากเข้าไปเนี่ยก็ ทานอะไรก็ไม่อร่อยนะร่างกายเนี่ยแก่ไปแล้วนี่ดีไหมจะลุกจะเดินจะเหินจกยก็ลําบากไปหมดเลยมันปวดมาทั้งทุกกระเบียดนิ้วนะทั้งกับเท้ามาจนถึงศนะีรษะมันปวดหมดนั่นแหละนั่งสํารวจวันหนึ่งก็อาจะป่วยเป็นสิบสิบโรคเลยนะคนอายุมากอากนะนึกถึงหัวก็ปวดหัวนึกถึงฟันก็ปวดฟันเนี่ยนะ นึกถึงกระดูกก็ปวดกระดูกนึกถึงเอวก็ปวดเอวนึกถึงเข่าก็ปวดเขานึกถึงท้องก็ปวดท้องนึกตรงไหนมันก็ปวดหมดเลยเอยความเกิดไม่ดีเลยเนาะนะนนก็เออพอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่อย่างนี้พันผู้ที่เจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็เห็นว่าเธรรมะทั้งสามสิบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานไะอันผู้ที่ฟังอย่างนี้ก็ย่อมจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเห็นไหมอันนี้ก็บรุษธรรมอีกเหมือนกันนะ ถ้ารู้จักความแก่ดีจริงๆอนะ่ะเนี่ยสำคัญเนี่ยคือเห็นว่าแก่แต่ไม่ได้เจริญในคิดถึงเรื่องแก่มากๆอ่ะนะทุกคนนี่แก่หมดเลยเดี๋ยวก็แก่และเนี่ยนะจริงคนก็แก่กันหมดแล้วนะแก่ตั้งแต่อยู่ในคันอยู่แล้วเนะี่ยอาจารย์ว่าทำไมแก่แล้วจะตายทำไม ดูการพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยป่วยมีความป่วยไข้เป็นธรรมดานะก็ตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความป่วยไข้เป็นธรรมดานะมีไม่โรคที่พ้นกลุ่มเหล่านี้นะโรคพ้นกลุ่มตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีไหมไม่มีนะก็อยู่แถวแถวนี้แหละโรคทั้งหลายแหละที่รักษากัรนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายแล้วก็โรคใจนะโรคคือการแต่งสีแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งพธภพพวกนี้ ถ้าแต่งพวกนี้ได้พวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งกายวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความป่วยไข่เป็นธรรมดาสรุปนะธรรมะสาสิบเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการพิจารณาแล้วแต่จะน้อมไปพิจารณานะอย่างพิสูอย่างสูตรเนี่ยข้อที่สาสิบแดก็แสดงว่าพิสูรูปนั้นเป็นเป็นผู้ที่รังเกียจความเจ็บป่วยเนี่ยนะแม้ถ้าใช้คำว่าป่วยเมื่อไหร่นี่ปั๊บเนี่ยหมายว่ามัน ฟังแล้วนะมันถึงใจเลยนะคำว่าป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ชอบเอามากเลยอ่ะคือใจเนี่ยนะในเป็นนามธรรมเนี่ยนะถ้าวัตถุมันป่วยนะใจมันก็ป่วยไปด้วยเช่ น, นถ้าตาไม่ดีนะจิตเห็นก็เกิดไม่ดีอยู่แล้วหูไม่ดีจิตได้ยินก็ไม่ดีจมูกไม่ดีจิต รู้กลิ่นก็ไม่ดีลิ้นไม่ดีเนี่ยจิตรู้รสก็ไม่ดีร่างกายไม่ดีกายญาวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ดีไปด้วยเนี่ยนะวัตถุเนี่ยมันเท่ากับประกาศในความไม่ดีของของจิตด้วยเนี่ยนะเพราะว่าจิตมันมันอาศัยวัตถุนี่เกิดขึ้นนะเพราะนั่นก็จิตเนี่ยจะเรียกว่าป่วยตามสิ่งเหล่านั้นก็ได้อันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือป่วยเพราะกิเลสเป็นต้นนั่นแหละมัน ท่วมทับครอบงำเนยนะป่วยด้วยราคะป่วยด้วยโทสะป่วยด้วยโมหะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดานะเพราะตายก็คือเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียหายแตกทําลายไปนั่นแหละเรียกว่าตายพิจารณาธรรมะทั้งสาสิบนี้โดยความตายเป็นธรรมดาหรือพิจารณาโดยเป็นสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดานะใครที่ ปกติมักจะเสียใจเนืองๆ เ, เสียใจบ่อยๆนะก็ให้รู้เถอะว่าไอ้ความเสียใจทั้งหมดนี่ก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดานะที่ไม่สบายใจไม่สบายใจอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเหมือนกันนะที่นํามาซึ่งความไม่สบายใจโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะแต่โดยทั่วๆไปเราก็ไม่ค่อยโทษไอ้ไอ ไอ้ตาหูจมูกเลนก า, ายใจของเราที่ไปเห็นไปได้ยินที่ไปรับรู้นะไม่ค่อยโทษนะไปโทษอะไรน่อยโทษข้างนอก